ใช่สิสัตว์โลกเหล่านี้มีตัวขนาดใหญ่มากที่ศีรษะมีแผ่นเหล็กแดงหนุนอยู่เบื้องล่างตั้งแต่หัวตะตุ่มลงไปก็จมอยู่ในแผ่นเหล็กแดงตะปูไฟใหญ่เท่าลําตาลต่อตึงมือทั้งสองข้างไว้กับฝาเหลวเหล็กไฟก็ได้แทงทะลุเบื้องซ้ายไปยังเบื้องขวาเบื้องหน้าไปยังเบื้องหลังแล้วก็แทงที่ศีรษะทะลุมายังเบื้องล่าง ไม่มีการกระดุกกระดิกเลยเอช่างน่าสงสารเป็นอย่างยิ่งบุคคลที่ได้เคยกระทาบาปกรรมในอริยบทใดก็ย่อมได้รับสเสวยผลกรรมในอริยบทนั้นบุคคลบางคนกระทากรรมโดยอาการยืน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 อ๋อพระคุณเจ้ามีความสงสัยประการใดครับอาตมาอยากถามว่าก็ในนรกนั้นมีมากมายหลายขุมแล้วท่านจะดูแลนรกต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไรเล่าอ๋อคำถามข้อนี้เองหรือครับจริงๆแล้วนรกมีทั้งหมด457ขุม ซึ่งจริงๆแล้วแบ่งเป็น8ขุมใหญ่ก็ในแปดขุมใหญ่นั้นจะมีผู้ช่วยถึงสท่านด้วยกันแล้วก็ในแต่ละขุมนั้นก็จะมีสุวรรณคอยช่วยเหลือผู้ช่วยเหล่านั้นอีกสท่านด้วยกันอีกรวมทั้งหมดก็คือมีผู้ช่วยสาสองท่านมีสุวรร์ถึงหนึท่านด้วยกัน รวมความว่าผู้ช่วยของท่านเหล่านี้ก็ต้องคอยจดบันทึกรายงานการลงโทษของสัตว์นรกผู้มีกรรมให้ท่านทราบใช่หรือไม่เล่าถูกแล้วครับเออโดยการรายงานของพวกเขานั่นแหละทําให้ข้าพเจ้าทราบว่าผู้ใดได้ไดรับกรรมห ม, หมดแล้วหรือยังหรือว่ายัางจะต้องมีเศษบากรรมที่จะต้องชดใช้ในแดนอืนอ่นๆหรือในภพภูมิ อ, อ, อื่นหรือไม่ สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจริงๆขอรับสัตว์นรกบางพวกตายจากนรกคุมหนึ่งแล้วไปเกิดอีกนรกคุมหนึ่งก็มีขอรับแต่สัตว์บางพวกมีเศษกรรมที่เบาบางลง ไม่มีนรกขุมไหนจะรอรับผลกรรมเขาได้เขาก็จะไปเกิดในแดนเปรตต่อไปครับพระพุทเจ้าครับนี่ก็เป็นนรกขุมสุดท้ายแล้วครับเอาละ่ะอาตมาก็มาเยี่ยมชมนานพอดูแล้วอาตมาก็อยากจะลาท่านกลับไปยังเมืองมนุษย์เพื่อว่าจะได้นําเรื่องราวเหล่านี้นํามาบอกกล่าว ให้คนในเมืองมรุฑนี้มีความระอาเกรงกลัวต่อบาปกันต่อไปจะได้ไม่ต้องหลงทำกรรมให้ต้องทนทุกข์ทรมานทำร้ายตนเองถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าก็ขอกราบลาบรัดการท่านมาด้วยความเคารพอัตมาไปแล้วนะโยมเอ้ยครับต่อจากนั้นประมาไหล ก็ได้เข้าจตุตฌานทำอภิญญาให้เกิดแล้วก็เหาะจากแดนนรกขึ้นไปเมื่อมนุษย์ทันที สาระน่ารู้เพิ่เติมมีดังนี้ไม่มีใครสามารถจะโปรดขนสัตว์จากแดนนรกให้พ้นโทษจากนรกได้เลยทั้งนี้เพราะสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนไม่มีใครจะห้ามหยุดกรรมของตนเองหรือของผู้อื่นได้แม้แต่ในสมัยพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา ก็ยังโปรดช่วยขนสัตว์นรกขึ้นจากนรกยังไม่ได้เลยจะกล่าบไปใหญ่แม้พระอริยสาวกของพระองค์หรือแม้แต่เราผู้เป็นปุตุชนก็ไม่สามารถจะอุทิศส่วนกุศลให้ถึงญาติมิตรบรรพบุรุษของเราที่ตกอยู่ในนรกได้เลยทั้งนี้เพราะว่าแดนนรกนั้นทุกทรมานอยู่มากมายได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสจนไม่สามารถจะว่างเว้น ทำ จ, จิตใจอนุโมทนาชื่นชมคุณงามความดีที่มีผู้อุทิศให้ได้บุคคลใดทำกรรมใดไว้บุคลำำบคลนั้นย่อมได้รับผลของกรรมนั้นกรรมมุนาวัตะตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไ ป, นปนตามกรรม แม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราขณะที่พระองค์ยังทรงพระชนชีพอยู่นั้นวิบากกรรมของอกุศลกรรมก็ยังส่งผลแก่พระองค์เลยแม้พระองค์จะหมดกิเลสแล้วแต่ผลกรรมนั้นก็ยังมาส่งผลอยู่พระองค์มีแต่การรับรู้ของผลอกุศลกรรมแต่จิตใจของพระองค์นั้นไม่ได้ติดใจหรือทุกข์ใจใน อกุศลกรรมวิบากนั้นเรื่องของผลกรรมของพระพุทธเจ้านั้นได้เคยกล่าวไว้ในเทศชุดกฎแห่งกรรมชุดที่สองแล้วดังนั้นแล้วพวกเราผู้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และก็มีปัญญามากกว่าสัตว์เพราะสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องของธรรมะได้ และก็ได้รู้จักว่าอะไรบาปอะไรบุญส่วนสัพท์นั้นไม่มีปัญญาที่จะรู้ธรรมะไม่มีปัญญาที่จะแยกแยะละบาปบำเพ็ญบุญได้เขาก็ได้หลงกระทากรรมชั่วต่างๆนาๆนาเยอะแยงอาหารเยอะแยงคู่เยอะแยงที่พักอาศัยมีการกัดทำร้ายและขโมยซึ่งกันและกัน โอกาสที่จะเกิดมาในมนุษภูมิหรือในสวรรค์นั้นก็ยากมากบ้างก็ตายแล้วก็เป็นสัตว์เดรัจฉานชนิดนั้นชนิดนี้จนกว่าจะหมดกรรมที่ได้กระทำมาเราเป็นมนุษย์นับว่าเป็นผู้มีบุญแล้วยิ่งได้พบพระพุทธศาสนา เรียนรู้ธรรมะแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติตามสมควรแห่งตนได้มีสติไม่ลลงกระทำกรรมชั่วมีการเจริญกุศลต่างๆและมีการขัดเกลาจิตใจให้เกิดปัญญาได้นับว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีไม่ได้เสียชาติเกิดแต่พบพระพุทธศาสนาถึงแม้จะไม่ได้เกิดในสมัยพุทธกาลแต่ก็เป็นกาลสมัยแห่งศาสนาที่มีพระศรีสากยมุนี สมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาอยู่และยังมีพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระศาสดาเป็นเสมือนประทีพส่องแสงสว่างแก่มวลมนุษย์